อาจาอยเช่า่างนี้เป็นโอกาสแห่งการประพฤติปฏิบัติของลาตีที่สี่และกอให้นักปฏิบัติทั้งหลายต้องตั้งสติ มีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยในชีวิตเราเนี่ยมีโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นนั้นกำลังหลับอาจจะฝันร้ายก็ได้บางท่านก็กำลังทำงาน บางท่านก็กำลังป่วยไข้ทุกขเวทนาอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบบางท่านก็กำลังเป็นทุกข์ร้องห่มร้องไห้ในขณะนี้ก็เป็นได้ไม่เหมือนกับพวกเราในขณะนี้พยายามเข้าไปในใจของตัวเอง หายใจลึกๆไปค่อยผ่อนหายใจออกยาวๆสักสามครั้งพอเราหายใจเข้าออกแล้วก็คลายลมหายใจจากท้องเราเนี่ยให้มันแห้งสบายเพราะว่ายัางที่บอกไว้ว่าเรานั้นไม่เคยมีสติ ในการอยู่ในองค์ภาวนาอย่างนี้เรานั้นฝืนจิตฝืนกายของเราเมื่อเราฝืนจิตฝืนกายฝืนความรู้สึกมันมีความขัดแยง้งในร่างกายและจิตใจของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวปกติเราก็อยู่กับอิเลสก็คืออารมณ์นั่นเอง อารมณ์ของเรานั้นแปรปลวนตามสภาพที่ตามมองเห็นหูได้ยินปากได้ลิมลิ้กายได้สัมผัสถูกต้องแต่ในขณะนี้เราได้ฝึกฝืนเรียกว่าตั้งสติสติก็คือความรู้ตัวว่าเราจะมีความรู้สึก มาฝึกมาฝืนเหมือนกันเราเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็จะพยายามฝึกสัตว์ตัวนั้นเนี่ยปปฏิบัติตามเราเราจึงจะพึงพอใจและปรารถนาในสัตว์เลี้ยงนั้นว่าฉลาดนักแล้วก็น่ารักด้วยการที่เรามวัวแต่รักคนอื่น ควรจะฝึกคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ควรจะฝึกลูกของตัวเองฝึกสามสนนีสอนคนนั้นสอนคนนี้เช่นอาชีพของคนเป็นครูอาจารย์ทั้งหลายได้ํำเรียนหลักการวิชาการหลักสูตรทั้งหลายที่สอนต่อๆกันมา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 จะขี่กันจนหัวงอกฟันหักตาบอดหัวหนวกอยู่อย่างนั้นแหละอีกก็นจนแก่คนเท่าจนไม่มีกำลังจะขี่แต่ว่าใจมันเนี่ยจะยังผูกพันอาวอนยวลัดตราตึงซึ่งกันและกันก็คือการผูกติดยึดติดกันนั่นเอง ต้นเหตุแห่งความจิบหายเนี่ยมันเกิดขึ้นคือการเวียนไหวตายเกิดนั่นเองการเวียนไหวตายเกิดเนี่ยมันเปรียบสเสมือนสติของเรานั่นเองเมื่อสตินี่มันก็วกไปเวียนมามันเป็นธาตุของหูของตาก็เรียกว่า น, นิวรณ์ทั้งห้านั่นเอง มนุษย์เนี่ยก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความลังเลสงสัยเกิดความนึกคิดปรุงแต่งพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยมโนนะมโนใช้คำว่ามโนทางพระมะโนก็คือการคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านนั่นเองการยึดติดผูกติดต่อสภาวะที่ไม่เป็นความจริง ก็คือตัวเรานี่แหละไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าเหตุเนี่ยมันเกิดจากหรือสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะเรามีมานะทิติถือตัวถือ ต, ตนจะเอาชนะเราจะเอาชนะกิเลสเนี่ยก็ต้องชนะตัวเองเหมือนในขณะนี้พยายามกำหนดรู้ยิ้มให้กับตัวเองไว ตอนนี้เราต้องรักตัวเองและอย่าเบื่อตัวเองอย่าอิดช้าตัวเองมีแต่อิดช้าคนอื่นแต่ในขนาดนี้เนี่ยถ้าเรายิ้มเข้าไว้ยิ้มไว้ในใจเมื่อเรายิ้มในใจเนี่ยจิตที่แข็งกระด้างที่เราไม่เคยรู้ใจไม่เคยเข้าใจตัวเองเนี่ย จะรู้สึกว่าอึดอัดก็บอกแล้วไงว่าเรามาฝืนตัวเองมาฝึกตัวเองเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะ่าก่อนนี้เราเป็นสัตว์มนุษย์ปิดมันตกอยู่ในอบายภูมิปุ่มของเปตดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานที่เขานิยมชมชอบเป็นลัทธิเป็นกรอบเป็นประเพณีนะ เป็นวัฒนธรรมกันมาเลยว่าพ่อแม่จะต้องสอนลูกว่าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นเด็กฉลาดจะต้องเรียนให้ใหได้ที่หนึ่งเนี่ยปลุกฝังกันมาเมื่อเติบโตแล้วพ่อแม่ก็จะได้หาผัวหาเมียให้ไม่รู้เลยว่าเราก็ประคองประครับนะ ด้วยอำนาจของกิเลสของกามรละคะปัญหาลาคะทั้งหลายเนี่ยมันครอบงําจิตใจตั้งแต่ปู่ญ่าตาทวดมาแล้วมันมองไม่เห็นความตายจากความดีไปมันมองเห็นกิเลสเนี่ยเป็นที่น่ายินดีแล้วก็นับถือคนที่เห็นกิเลสเนี่ยน่ายินดีและนับถือเนี่ยน่าจะดํานะ น่าจะดำแล้วก็หูเนี่ยก็จะห้อยด้วยเครื่องประดับปึกนี้จะเอาอะไรเป็นเน็บเนบซ่อนๆอนอยู่ตาเนี่ยจะพยายามเอาสีมาโปกมาป้ายเหมือนสัตว์ต่างๆปาตาก็เช่นเดียวกันตาก็เอาสีนั้นสีนี้ ตือเท้านี่ก็จะต้องทาสีนั้นสีนี้ทําเหมือนเฮียตะกายศึกทําเหมือนกับเสือที่มันซ่อนเล็บเอาไว้เล็บเอาไว้หนวดเอาไว้เขานะเอาไว้ทรงผมสีนั้นสีนี้ทรงนั้นทรงนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นจอมอัจฉริยะนะเป็นอริยบุคคลที่ประเสริฐแล้วบริสุทธิ์ดีแล้ว กันก็เลยให้ปงผมผมเนี่ยมันเป็นกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเ็าเรียกว่าบนเส้นบะหมีเลยเออมันมากที่สุดก็คือผมเหล่านี้แหละครับผมครับผมออผมเนี่ยมันอยู่บนศีษออศษะเสียษะก็คือการคิด แล้วก็จดจําสมองคนเรามีสองอย่างด้านซ้ายด้านขวาการนึกคิดเนี่ยมันเป็นกระแสไฟฟ้าเนี่ยในตัวเราเนี่ยมากที่สุดก็คือเส้นผมเราเส้นผมเนี่ยมันก็มีลากลากผมนะเป็นรูพูนไมหมดหัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ย จึงมีความคิดหลากหลายไอความคิดเนี่ยมันก็เกิดจากทางตานี่แหละเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเนี่ยมันก็ส่งไปที่สมองไอสมองมันก็ส่งไปเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราไอจิตใต้สํานึกเราเนี่ยมันก็นึกปรุงแต่งไป พราะเราเป็นเหมือนคนบ้าเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเรียกว่าสัตว์มนุษย์ที่ยินดีก้อนหินนะก็คือทองนี่แหละทองนี่มันก็เปรียบเหมือนแร่ธาตุที่มันหายากนะก็เอาแร่ธาตุีิบุกมาเอากระดาษเอาอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นกระดาษเป็นเงินเป็นทอง สมมติว่าเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อเป็นเพชรนินจินดาก็มันก็มาจากแร่ธาตุนักปฏิบัติทั้งหลายลองนึกเข้าไปเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยปันสํำคัญก็คืออาหาร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 การหงต้มการทำความสะอาดร่างกายร้วนแต่เป็นการวิวัฒนาการจากวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาช่วยก็คือธรรมชาตินั่นเองเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เรียนรู้มาจากตัวเองมัรนรียนมนุษย์เนี่ยเรียนรู้มาจากสัตว์ ยงเช่นเขาสร้างเครื่องบินเนี่ยหรือใช้อาวุธที่ลุนแรงในอเมริกาเนี่ยเขานกเหยี่ยวมาเอามาเลี้ยงแล้วก็ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นนกเหยี่ยวเป็นนักล่าเนี่ยในจังหวดที่มันโฉบเฉี่ยวเนี่ยมันทิ้งน้าหนักความเร็วไวเนี่ยพยุพเหยื่อเนี่ยมันไม่ได้มีความแรงอยู่ที่ปลายเลย็บ ม, มันเป็นการทิ้งน้ำหนักลงมาแล้วก็เล็บเนี่ยะแทงเข้าไปในเนื้อหนังสโตด้วยแรงกระแทกแต่ในขนาดที่มันกระแทกลงมาเนี่ยไอเจ้านกเนี่ยทำไมมันไม่เป็นไรนก็คือโครงสร้างมันเขาศึกษาโครงสร้างของนก นกเหยื่อนกอินเรีเนี่ยในขณะที่มันล่อนมันทิ้งตัวทิ้งน้ําหนักลงมาเนี่ยมันจะกลางเล็บออกมาแล้วก็เกลง่งแล้วก็กัดแทกเข้าไปในเนื้อหนังสัตว์ตัวเหมือนเราเนี่ยยืนอยู่เฉยเฉยเนี่ยมีก้อนหินมากระแทกหรือมีรถมาชนเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยแรงกระแทกอันนั้นเนี่ยจะทําให้ กระดูกหรือบางส่วนของเราเนี่ยแข็งไม่พอเนี่ยกระดูกแตกแล้วก็หนังฉีกเนื้อฉีกนะก็เหมือนเจ้าเหี่ยวเนี่ยอเมริกาก็ใช้ความเร็วของการทิ้งตัวน้มถ่วงเนี่ย แ, แรงกระแทกเนี่ยเอามาสร้างอาวุธนะเอามาสร้างอุปกรณ์ต่างๆ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 อ น, นขณะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรามักจะไปเรียนรู้จากคนอื่นคุณมองเห็นนั่นเองแล้วหูได้ยินที่เขาพูดกันว่าไปทำไอ้นั่นไปทำไอ้นี่แล้วมันจะร่ำรวยมีความสุขลองถามความรู้สึกของตัวเองว่ารวยที่สุดเนี่ย เราจะรวยไปทำไมเออลองนึกดูสิปัญนาสุขที่สุดเนี่ยอะไรเนี่ยบรรธิมให้เราเนี่ยมีความสุขที่สุดเคยสัมผัสบังหรือยังแต่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าสุขก็เลยมันก็ยึดไม่ได้เหมือนในขณะนี้เนี่ยเราต้องตั้งสติมีความรู้ตัวว่า เราจะไม่ยึดอารมณ์อะไรเนี่ยในความคิดของเราในขณะนี้เนี่ยเนความอยากได้บ้านได้รถได้เรือ แ, แหวนเงินทองลูกผัวสามีความรักความยินดีต่างๆในขณะนี้เนี่ยเราไม่ปรารถนาทำจิตใจของเราเนี่ยให้ว่างเปล่ายิ้มเขวะ มองเห็นใจตัวเองว่าโอ้น oh no ้อเองไม่ได้กินอะไรเลยเป็นแต่ความคิดปรุงแต่งคิดไปก็บีบหัวใจเหมือนกับกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันทำงานเต้นมันตั้งแต่เกิดเป็นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บในการที่เรามีชีวิตอยู่ไอหัวใจนี้ก็มีหน้าที่สูบฉีด โรหิตเนี่ยก็คือเลือดเนี่ยปหล่อเลี้ยงร่างกายก็ เ, เหมือนปั๊มมันทำงานตลอดเวลาเครื่องเนี่ยมันยังไม่ไหวเลยคุณโยมมันยังพังเลยนะเครื่องเครื่องเนี่ยมันก็ต้องโฉบได้ยินแม้เสียงปื๊ดเนี่ยมันก็ต้องกินน้ำมันมีการเผาผ่านก็เหมือนเราเหมือนกัน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 บางส่วนก็เอาไปเป็นพลาสติกนะเป็นเม็ดพลาสติกบางส่วนที่มันแย่มากก็เอามาลาดยางทําถนนนะบางส่วนก็กลั่นเอาที่บริสุทธิ์ใส่ออกมาก็มาเป็นน้ํามันนะน้ำมันก็มีหลายเกรดนะเกรดเอบก็ว่ากันไป ก็เหมือนกันแก๊สก็เช่นเดียวกันกระทับโถมมาจากซากพืชซากสัตว์ที่มันล้มทับตายกันมาเนี่ยเป็นดึกดำบรรนะ เ, เป็นรอยหลายๆลยอยๆยล้านปีก็เหมือนชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็คือเราไม่รู้ลอก ว, ว่าเราได้เกิดขยันเกิดขยันแก่ขยันเจ็บขยันตาย เรามันเป็นคนโง่ที่ขาดสติเหมือนคนบ้ายังยินดีอยู่ยังยินดีดูความรุกนะความรู้สึกเฉยๆนะว่าอันนี้ได้ทองก็คือหินแร่่านเอามาใส่คอดูเหลืองอลามคนมองเห็นเนี่ยก็โอ้คนนี้รวยนะมันรวยมากคนนี้มีมุก มีแก้วมีแหวนเพชรมีรถ ด, ดีๆขี่มีบ้านหลังใหญ่ๆมีเครื่องปะทินโฉมมีน้ำหอมขวดละหลายหมื่นบาทมีอาหารดีๆมีภาชนะโอ้ยเรามันเขามาันรวยภาชนะมันก็มาจากหินเหล่านี้แหล ะ, ะหินดินดาน เอาดินเนี่ยไปเผาแล้วก็เคลือบเป็นยี่ห้อสีนั้นสีนี้เอาหินเซรามิกเนี่ยไปเผาความร้อนสูงก็ละลายมาแล้วก็อัดเป็นบล็อกเป็นรูปนั้นรูปนี้มาคนรวยเนี่ยมันเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นข้าหาบดีเนี่ย มันก็กินกวดกินใส่มันเหาะเหิเนเดิน อ, อากาศไม่ได้หรอกท้ายสุดล้นแต่เป็นของอันนี้จังเห็นไหมพระพุทธเจา้อาอันนี้จังเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเหมือนสังขารเราเนี่ยก็ไม่เที่ยงไอ้เธอหล่อทั้งหลายคุณสวยทั้งหลายเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันต้องอะไร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 จะต้องแก่ชราจะต้องถึงข่าวอับปางของชีวิตของสังขารล่างนี้แต่ในขณนะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยได้เคยเห็นใจตัวเองบ้างไหมมีตาเนเคยมองตัวเองบ้างั้มได้แต่ไปมองสิ่งที่มันไกลตัวนะได้แต่ไปฟังคนอื่นที่ไม่ได้ฟังใจตัวเอง ฟังตัวเองว่าก็คือมีสติเหมือนในขณะนี้เนี่ยเรามาพิษจรารณาว่าโอ้นอมาหาท่านก่อนเล่ า, าชีวิตของตัวเองว่ายากลำบากขึ้นรถเมย์รถเมย์มันก็หนีบรองเท้าอาหายข้างหนึง่งโยมก็ตะโกนว่าพระตกรถพระจะตกรถนีมาหายเฮก็ เผาถ่านเอาตะตังเนี่ยปัจจัยเนี่ยไปเรียนนะแต่และคนแต่และองค์เนี่ยที่เล่ามาหล่งพ่อก็เข้าใจว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนผักปลานะที่เขาเปรียบเหมือนผักที่เขาปลูกเพื่อเอาไว้จะกินของเราก็เกิดมาเพื่อจะ ให้มันหมดเวลาไปเฉยๆถูกกิเลสมันกัดกินนั่นเองไปถูกเอาเสื้อผ้าสวยๆไปสแสวงหาซื้อมาชั้นนอกชั้นในถูงน่องรองเท้าเครื่องปะทินโชมใ น, นล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเราใช้จ่ายมากเราก็ต้องตะเกียกตะกายหามาก เมื่อหาได้น้อยกว่าการใช้เนี่ยมันก็เดือดร้อนเป็นหนี้เป็นสินจะเกิดความทุกข์เนยทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยหาเงินไม่ทันใช้ว่าไปนั่ น, นแต่จริงๆเราค่อยๆนึกไปว่าเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราทานอาหารสามมือ้อนอนเต็น ต่างคนต่างทำต่างคนต่างช่วยกันผู้คนแสดงมีความน้ำใจน้ำจิตน้ำใจที่มันมีความมีสติมีการฝึกฝนให้สร้างคุณงามความดีและความชั่วนะมาประกอบกับดีตั้งไฟตั้งมามากันที่ต่างๆไกลๆด้วยเกือบจะทั่วประเทศ ทำไมเราไม่ขัดแย้งกันเออเห็นไหมแสดงว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ทำแบบนี้เนี่ยมันค้มจุนตัวเองแล้วก็ค้มจุนโลกด้วยจะทำให้เราในเกิดสติมีความรู้ตัวลดความต้องการไปก็คือกิเลกก็คือความโลภความโกรธของเราเนี่ยก็ลดลงไปเพราะเราไม่มี ธุรจิตอิจฉาริอเสีซึ่งกันและกันความอิจฉาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ว่าบางคนมีแล้วไม่มีบางคนได้แล้วไม่ได้ก็คิดว่าคนนั้นเนี่ยรักมากกว่าปนนี้ชังกันมากกว่าบรรวัดจากไหนบรรวัดจากอารมณ์ที่เราคิดปรุงแต่งนั่นเอง เราไม่คิดซึ่งกันและกันซะมันก็ไม่มีตัวอิจฉามาเกิดเห็นหมแสดงว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของกิเลสก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติแต่เราไม่ฝึกเหมือนเราฝึกตัวเองเนี่ยให้มีความรู้ตัวรู้ตนซะก่อนแต่การรู้เนี่ยจะต้องรู้เหตุ รู้ต้นเหตุมันซะก่อนเมื่อเรารู้ต้นเหตุเนะี่ยมันก็ไม่สายมันก็ไม่เกิดเหตุนั่นเองแต่เหมือนเราอยู่ร่วมกันในขณะนี้เนี่ยที่ก็ไม่แย่งกันไม่ทะลเลาะเขตแดนกันการกินอยู่ก็ปรับนอ น, นีก็อยู่ร่วมกันทั้งๆที่ไใ่พี่น้องขานตามกันมา เลสเนี่ยมันทำให้พี่น้องคานตามกันมาเนี่ยยังเข็นฆ่าอาสันทะเลาะเบาแววงกันการยึดมั่นถือมัน่นความรักความเกลียดความจังเนี่ยก็มีการทะเลาะเบาแวงทำลายชีวิตซึ่งกันและกันแทนที่เราจะได้อยู่จนแก่ชาราก็มาถูกฆ่าตายบ้างถูกลดชนตายบ้างเพราะความประมาทบางคนเป็น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 คนเราก็มีความรักมันคู่กับความชังความโกรธความเกลียดนั่นเองเมื่อเราแยกรักไม่ได้โกรธไม่ได้เนี่ยเกลียดไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีความสุขรู้ผิดถูกชั่วดีได้เหมือนในขณะนี้ที่เราฝึกตัวเราเองพยายามมองแล้วก็เข้าใจตัวเองว่า วิถีชีวิตแต่และคนนั้นมีความชอบไม่เหมือนกันเรียกว่าพรสวรรค์ในสมัยนี้ที่เขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันบางคนก็สร้างบ้านเรือนก็ล่ํารวยก็มีบางคนขายผักบุ้งผักกระเจดผักกะนาเนี่ยยอดไม้ใบหญ้าเนี่ยก็รวยนะแต่เขารู้จักเก็บจักกินจักใช้ ที่ทำไมเขาทำอะไรเนี่ยจึงรวยเอารวยเอาก็เขารู้ตัวเองไงเขาเป็นคนฉลาดมีสติมีปัญญาเขาเรียนรู้แล้วว่าเก็บได้ให้ได้มากกว่าใช้จ่ายคนรวยเนี่ยมิจจงเป็นคนมัธยัติประหยัดทางนั้นเลยในสมัยในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อเจอคนที่รวยๆเนี่ย เขานี่ยเขาไปเหมือนนกเยี่ยงกาเลยไปแต่เช้ามืดกลับก็ดึกเดินค่อนคืนรถเนี่ยถ้าจะเผาขาดล้อยางเนี่ยเสียหายในความขยันของเขามันเพียนนะเพียนพยายามพยายามทำโน่นทำนี่ให้มันเกิดความชำนาญเราก็มามองตัวเองว่า อะไรเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดโชคชะตาชีวิตของเราเรามักจะไปกราบตรงนั้นว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไปสร้างวัตถุมงคลเหมือนหลวงพ่อออดเนว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์คองแล้วบูชาแล้วจะร่ำรวยมันก็เป็นแค่ความคิดแต่เราไม่ได้มองตัวเอง ว่าเราทำอะไรเนี่ยเราในยพยายามติดตามกเกาะติดทุกสถานการณ์ว่ากินยังไงนอนอยังไรเนี่ยให้มันมีความสุขในชีวิตเราในชีวิตมันที่เราล้องให้เนี่ยเป็นเพราะเหตุอะไรที่เราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพราะว่าเป็นเหตุอะไรบางคนก็โทษว่า หัวบ้างภรรยาบ้างลูกใช้เงินเก่งบ้างแต่ในขณะที่เราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงเรามาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราเคยให้เงินทองพ่อแม่เราบ้างหรือเปล่าเรามีปากเนี่ยพ่อแม่สอนให้พูดเนี่ยเราเคยได้พูดดีกับพ่อแม่บ้างหรือเปล่าพ่อแม่ให้อาหารทุกสิ่งทุกอย่าง เราจเจริญเติบเติมมีกําลังเนี่ยเราเคยหาอาหารให้พ่อให้แม่กินวันนึงเนี่ยหนึ่งมื้อเนี่ยน้ําสักแก้วเนี่ยได้กินมั้งหรือเปล่าจากเราเราเคยนอนที่นอนหมอนมุ้งของพ่อของแม่พ่อแม่จะต้องซักผ้าหาพรปูที่หลับที่นอนพัดมียุงไม่ให้ไต่ไลก็ไม่ให้ตอม เราเนี่ยได้เคยปูที่หลับที่นอนในพ่อแม่บ้างหรือเปล่าเออลองถามที่เป็นมนุษย์สุดประเสริฐที่นั่งอยู่เนี่ยพ่อแม่ให้อาหารป้อนทุกอย่างบางคนถึงก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วค่อยๆ ค, ยคายมาป้อนลูกเนี่ยเรา เ, เคยเนี่ยนําอาหารี่ไปถึงปากพ่อแม่บ้างหรือเปล่าเราเคยเนี่ยมีพลักําลังเนี่ย ทำงานให้พ่อให้แม่บ้างหรือเปล่าสั่งพ่อสั่งแม่ว่าอย่าทำเลยทำแล้วมันเหนื่อยนะแม่นะพ่อนี่หรือมนุษย์ของท่านที่ท่านว่ามีจิตใสํำนึกที่ดีเนี่ยบางคนมีกำลังมีวาจาที่สอนมาอย่างดีก็ด่าพ่อด่าแม่เตียงพ่อเตียงแม่ พอพ่อแม่เรียนน้อยหน่อยพยายามส่งลูกให้เรียนสูงสูงลูกจะได้มีวิชาปิดตัวมีความรู้จะได้ต่อสู้กับคนอื่นได้กลับมาบ อ, บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนโง่พ่อแม่จะรู้เรื่องอะไรเรียนก็นไม่รู้เรื่องคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเมื่อฟังลูกอย่างนี้เนี่ยมีวัจจิกรรมแล้ว ลูกใช้วัจจีกรรมใช้คำพูดเนี่ยไปทำลายจิตใจจิตใต้สำนึกที่คิดดีทำดีที่จะแนะนำโลกมาตั้งแต่เล็กตั น, น้อยเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกฝังมันฝังเราซะแล้วเราปลูกมันให้เจริญเติบโตมันกับฝังเราฝังอะไรฝังเขี้ยวเล็บนึกว่าตัวเองฉลาดไปปารบให้กับพ่อแม่จะต้องมานั่งร้องให้กับโลก คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยลองนั่งนึกซึว่าลูกลองปี๊ดมาเนี่ยได้หลับได้นอนบ้างแมมลูกร้มเนี่ยแม่นี่จะเจ็บเข้าไปในหัวใจพ่อแม่เนี่ยถึงก็ทะเลาะกันเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยบาดเจ็บสักนิดหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ก็ใจจะขาดแล้วแต่ทำไมเราต้องทำลายพ่อแม่เนี่ยด้วยคำพูด ทำไมเราเกิดจเจริญเติบโตสูงใหญ่กำยำลำสันกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองชอบแต่ทำไมไม่นึกถึงพ่อแม่ที่พ่อแม่เนี่ยเขาได้ทานอะไรหรือยังไปกินอะไรหรือยังแล้วเราจะเป็นสักประเสริฐได้ไงเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความกระตันอยู่รู้คุณได้ยังไงก็ามีประเทศเราประเทศเดียว ที่มานั่งสอนให้กรตตันยูรู้คุณเพราะว่าเราเนี่ยเป็นชาติที่ประเสริฐแล้วที่มีพระพุทธศาสนาจึงไม่ค่อยมีคนทิ้งคนแก่คนชราไปดูเมืองนอกเมืองนาสิพ่อแม่เนี่ยก็ปล่อยอยู่บานพักคนชราหมดพอโตได้อายุสิบสี่สิบ้าสิบกเขาก็ออกบ้านแล้ว จากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็ น, นั่งเป็นคนแกน่มองกันล็อกแล็กล็อกแล็ไม่รู้ว่าจะตายวันตายคืนฝรั่งเนี่ยมาเห็นวัฒนธรรมของคนไทยเกิดความประทับใจคนไทยเนี่ยแต่มันก็มีข้อเสียข้อดีข้อดีคือฝรั่งมีความเห็นเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเพราะว่าเขาต้องเป็นมนุษย์ที่แสวงหาด้วยตัวเอง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 เรียนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนพวกเราเหมือนกันการฝึกตัวเองอในขณะนี้เนี่ยมันมาฝึกกับหลวงพ่อเนี่ยมันก็นึกว่าจะได้ออกไปแล้วจะถูกหวยออกไปแล้วจะรวยกลับไปบ้านสามีก็จะรักเพิ่มขึ้น ก็มึงอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนมึงไม่เบื่อเหรอในขณะที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจดีกายดีความรู้สึกที่ดีหน้าตามยิ้มแย้มแจ่มจใสจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยผ่องใสขึ้นใจิตใจของเราก็รู้สึกไม่ฟุ้งซ่านมากขึ้นอาหารก็ทานน้อยลงน้อยลง นอนก็น้อยลงน้อยลงความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยก็น้อยลงน้อยลงเมื่อเราทุกอย่างเนี่ยมันเกิดผ่อนเปลอเหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานน้อยลงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าช้รลดน้อยลงเจืเหมือนกับหัวใจของเราที่เคยเต้นไม่เป็นจังหวะเดินเร็วบ้างช้าบ้างเดี๋ยวก็ ัดใจหายใจไม่เป็นปกติความคิดฟุ้งซ่านปวดหัวปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเป็นในขณะที่นักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยลองสังเกตตัวเองว่าเออทำไมเรามาที่นี่รู้สึกร่างกายเราเบาสบายปลอดภัยไข้เจ็บความดงความดันก็หายเบาหวานก็ลดทั้งๆที่เราก็กินนอนตามปกติ นอนก็ น, นอนน้อยจะด้วยซ้านอนก็ไม่ได้นอนติดแอร์มีมุง้งมีฟูกอาหารก็ไม่ได้เป็นโรงแรมห้าดาวก็เป็น อ, อาหารบ้านๆต่างคนต่างมีความชํานาญก็นําอาหารมาทําให้เราเนี่ยได้ขบได้ชันลองค่อยค่อยนึกมองมองมองแล้วก็คิดคิดให้มันอยู่ใน ปัจจุบันอย่าไปคิดในเรื่องของอบายยาพรอบายยาพรก็หมายถึงภูมิของเป็ดอาศัยรกายสัตว์เดรัจฉานเป็ดก็คือเด็กน้อยนั่นเองครับเป็ดมันไม่มีเสื้อผ้าปากมันเท่าลูกเข็มที่เขาจินตนาการกันเป็ดมันสูงเหมือนต้นตาลเป็ดนี่มันมีทิฐถิง่ายมันร้องปี๊ดปิ๊ ด, ด, ดก็คือเด็กน้อยนั่นเอง หากเท่ารูเข็มก็ เ, เอาเข็มแทงหัวนมดูดนมแม่หัวนมแม่มันมีรูเท่าท่อหน้าแปดเมื่อหลยมันเล็กก็รูน้ำปาอีกมาใช้เข็มเจิมไฟแล้วก็เจาะลงให้รูเล็กๆ เ, เวลาเด็กดูดเ่ยจะได้ไม่สำลักไม่ออกมามากเกินไปเห็นไหมเป็ดเป็ดเนีเ่ย เ, เขาก็กินน้ำเลือดน้ำเหลืองก็คือกินนมแม่นั่นเอง นมสัตว์ไอเป็ดเนี่มันก็พูดได้ที่ไหนมันร้องปี๊ดเลยถ้าหิวขึ้นมามันนึกจะขี้ก็ขี้มันนึกจะเยี่ยวก็เยี่ยวมันไม่มีความระอายเป็ดนี่มันเกาะกินพ่อกินแม่เหมือนเห็บลิ้นไหลที่มันกินไก่กินเป็ดกินวัวกินควายแล้วพ่อแม่ไปไหนก็ต้องหอบหิวเกาะใส่เอวใส่คอไปนะเป็ดมันเกาะ เขเรยก็ เ, กเป็ดมันกินพ อ, อมันหิวพ่อแม่ก็ต้องเอาน้ำเลือดน้าเหลืองนึกใส่ปากแล้วเรายังไม่รู้อีกนะตังในนิยายน้ําเน่าทั้งหลายนารกแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละสวรรค์อยู่ที่อกนรกมันอยู่ที่ใจนั่นเองนะเราได้เห็นจินตนาการว่านารกจะต้องปีนต้นงิ้วนะ จะต้องตกกระทะทองแดงใครติดเหล้าก็จะต้องกอกด้วยน้ำร้อนแดงๆ แ, แต่คนธรรมดามันกินเหล้าพอทานเหล้าเข้าไปเนี่ยมันสวรรค์เรื่องนรกอะเหล้าคุยฟุ้งซ่านควบคุมสติไม่ได้คือเป็นคนบ้า น, นั่นเอง ไอ้น้ำสะอาดๆเรากินขันเดียวก็อืดจะตายที่มันกินเจ็ดแปดขวดมันกินไปทั้งคืนทั้งวันแต่ว่าไม่เห็นมันเป็นไรเลยมันก็ควบคุมสติไม่ได้และคนอยู่ใกล้แม้นตกนรกแม่แล้วคนบ้าขาดสติมีใครอยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนนะเพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายตึงมาฝึกสติสติคือความรู้ตัวแล้วก็ ปึกเมื่อมีสติก็กิดเกิดปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารหลวงพ่อในรู้ในกองสังขารรู้ตัวเองว่าร่างกายของคนเหล่านั้นที่มันจะตกนรกหมกไมยก็คือความทุกข์ก็คือความโรคความกดความหลงนั่นเองความอิจฉาเลยสยาความฟุ้งซ่านปรุงแต่งนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ทำให้เราเนี่ยไม่รู้วันเดือนปีอ๋อนี่คือนรกประรกเนี่มองไม่เห็นดวงจันทร์มองไม่เห็นดาวเห็นเดือนมองไม่เห็นแม้แต่ตะวันฮะต่เนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยคนที่ทํางานป่านนี้ยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยทั้งคืนมาเนี่ยตกนรกไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันแล้วไม่รู้แจ้งรู้มืดหากินมันวั น, ว น, วนยังค่ำํำคืนยังรุ่งก็กแคแรแหลกกันดาน แปลกแหลท่านแต่ว่าไม่มีความสุขผัวเมียลูกเอาไปกินหมดตัวเองก็ไปนั่งเป็นยามบ้างเป็นไรบ้างเราได้เห็นว่าสวรรค์นรกเนี่ยมันมีจริงก็คือเมืองมนุษย์นี่แหละเอาล่ะเช้าเช้าอย่างนี้ปงไม่รบกวนเรามากอาจจะปวดเมื่อยกันแล้วก็มั่งก็มีจะได้ทายของเก่าได้สวาปามของใหม่เข้าไป นิมนต์ครับ